ถ้าออกไปข้างนอกได้ก็ดีมันกานหนะ้าลูกหลานสล า, าต่อไปลงทงลงทานออกไปข้างนอกซะสล า, าเนี่เป็นสล า, าปฏิบัติธรรมถ้านั่นก่อนเนี่ยหลวงพ่อกาลังจะคิดสร้างสล า, าอยู่ข้างนอกเพราะมีปัญหาหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆเขาเอาแต่งันก็ถวายสร้างสล า, ากับหลวงพอ่อเออเอา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 แสดงความคิดเห็นได้หลวงพ่อจะให้แสดงความคิดเห็นบางคนอาจจะเป็นขมขมในฝักนะมีความคิดที่ดีแต่เราไม่เคยให้เขาพูดเราก็เอาพูดพูดดูซิมีความเห็นว่ายังไงแต่บางคนก็มาเลเรืืองเหมือนกันนะออกนอกลู่นอกทางเตลดิดเปิดเปิงต้องอาหยุดๆยุดออกนอกประเด็นนะหยุดไว้ก่อนแปลว่ามันซ้ำซากแล้ะ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 โทษไปกรุงเทพไปหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เลยจัดการอย่างที่ท่านว่าเนเออไปกราบคนของในหลวงสองอาทิตย์ท่านนั้นน้ำลดอวบเลยเมือน <c oughs> อน้าลดอวบเลยถ้าว่าท่านไม่ได้บอกนะไม่รู้จะท่วมนานจากเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรากเออนี่แหละเราก็เลยพูดต่อเลยท่านความรู้ความ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 เวลาจะคิดเรื่องอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยเราต้องทำใจให้บางว่างเดินจะกรมเดินกลับไปกลับมากลับไปกลับมาทำใจให้นิ่งทำใจให้สบายทำใจให้ว่างว่างพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่อย่างเดียวยจากนั้นยังค่อยนำความว่างด้วอแนวความคิดน่นมาคิดเอ๊ะมันเรื่อง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 จากนั่นก็นยกทับไปเลยไม่ไม่ใช่โมโหธรรมดานะ่ยยกทับไปเพราะจะไปยึดเขาพอไปยึดพระเจ้าราสตัวเนี่ยเป็นพระหากริยัหนุ่มเลยกำลังหนุ่มแน่ น, นจัดทับพลได้ดีมากเลยทหารของพญาประสิิเนี่กระจุยเลยเลยยกไปครั้งที่สองก็กระจุ ย, ยอีกทหารเสียหายมากที่พญาประสิทธิ์เอ๊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 เนี่ยใครเข้าเป็นจาระบุรุษเขาเรียกสมัยนั้นเรียกว่าจาระบุรุษเนี่ยคือว่าสันติบาลเนี่ยไนดะ้ออกไปสันติบาลเนี่ยก็เข้าไปในหมูพ่พระสงฆ์ให้พระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยท่านคงจะพูดคุยสนทนากันมั้งว่าการรบศึกสงครามเนี่ยจะทํายังไงท่านคงจะพูดกันอยู่มั้งบางท่านบางองค์แต่นั้นก็ก็แฝงอยู่ตามวัดป่าเชตวั น, นกลางาค่ํากลางคืนมันก็ปล่อยออกไปเนี่ย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 มันกระจับได้ง่ายจะไปสาอะไรเด็กยังไม่สิ้นกินน้ำนมมันเป็นเด็กหนุ่ ม, มกำลังใจร้อนนะ่ะเราลอกเข้ามามันก็ตีเขามาตีเขามาก็ลงสกัดตรงนั้นเลยอนยะ่างนันแต่เรียบจาระบุลุษยคนนั้นก็นมาบอกพระเจ้าเประเซอบอกว่านี่เนะี่ยผมไปฟังพระแก่สององค์พูดกันนี่ที่หลังวัดป่าเชดตะวัน